5. กับพระวักหมวดว่าด้วยคำข้าวสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องพระชัพขี617สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันารามของอนาถาบินที่กาเษฐีเขตกรุงสัพถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพฉัคีอ้าปากรอคำข้าวที่ยังไม่ถึงปากพระบัญญัติ 1. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่อ้าปากรอคำเข้าที่ยังไม่ถึงปากเรื่องพระชัปพคีจบสิขาบทวิพังภิกษุไม่พึงอ้าปากรอคำเข้าที่ยังไม่ถึงปากภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้ออ้าปากรอคำเข้าที่ยังไม่ถึงปากต้องอบัตทุกกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. ภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติ